วันนี้เป็นวันที่แดกรกฎาคมพุทธศักราช2560เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันอาสาฬหาบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่3วันด้วยกันคือ1วันวิสาขาบูชา สวันอาสาหะบูชาและสวันมาคาบูชาคำว่าอาสาละหะนี้เป็นชื่อของเดือน8ในสมัยพุทธกาลอาสาละหะบูชาจึงมีความหมายว่าการบูชาในเดือนอาสาละหะการบูชานี้เนื่องจากมีเหตุการณ์สําคัญ ที่เกิดขึ้นในเดือนอาสาฬหะในสมัยพระพุทธกาลคือประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วมีเหตุการณ์ที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็คือการประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกให้แก่สัตว์โลก หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสยรู้ในวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขาบูชาแล้วหลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบก็ทรงเห็นว่ามีบุคคลที่พึงที่จะรับทำอันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบที่ทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด หลุพ้นจากความทุกของการเกิดแก่เจ็บตายจึงทำให้พระองค์มีความพระเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์โลกที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับกองทุกข์จึงได้แยกยกสัตว์โลกไว้สี่ชนิดด้วยกันเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าบัวเหล่าที่หนึ่งคือบัวที่เหนือน้ำ บัวที่พร้อมที่จะบานเมื่อได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ในวันล่งขึ้นบัวชนิดที่สองเป็นบัวที่ปริ่มน้ำที่ยังรอให้โผกขึ้นมาเหนือน้ำในวันสองวันแล้วก็จะบานตามลำดับต่อไปส่วนบัวชนิดที่สามเป็นบัวที่อยู่กลางน้าที่ต้องใช้เวลาอีกหลายวัน กว่าที่จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาและบานได้แต่บัวทั้งสามชนิดนี้เป็นบัวที่มีโอกาสที่จะพัฒนาให้บานได้ส่วนบัวชนิดที่สี่เป็นบัวที่ยังติดอยู่กับโคลนตมเป็นบัวที่มักจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาที่ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญเติบโต โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําและบานแบ่งบานได้บุคคลที่พระองค์ทรงพิจารณาก็มีอยู่สี่ประเภทมีสาประเภทที่เป็นบุคคลที่สามารถที่จะสั่งสอนได้ส่วนบุคคลประเภทที่สี่บัวที่อยู่กับโคลนตมนี้เป็นพวกที่สุดวิสัยที่จะสั่งที่จะสอนพระองค์ก็ไม่ทรงที่จะไปสั่งสอน บุคคลเหล่านั้นคือบุคคลที่ไม่มีความเชื่อในบุญในบาปไม่มีความเชื่อว่าเกิดมาแล้วจะต้องเวียนจะต้องตายหลังจากที่ตายก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปและถ้าจะไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องมีพระพุทธศาสนามีคนสั่งคนสอนวิธีที่จะกําจัดต้นเหตุ ของการมาเกิดแก่เจ็บตายกันบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนไหว้าตายเกิดเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะเขาไม่สามารถมองเห็นว่าใครเป็นผู้ไปเกิดในนรกในสวรรค์เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเป็นผู้ไปเวียนไหว้าตายเกิด ก็สิ่งที่เขาเห็นเขาเห็นเพียงครึ่งเดียวคือเห็นร่างกายของเขาเห็นว่าร่างกายของคนเราทุกคนหลังจากที่ตายไปก็เอาไปชำชาปน ก, กิจก็กลายเป็นขี้เท้าขี้ฐานไปแล้วจะมีใครจะไปรับผลบุญผลบากมีใครจะไปสวรรค์นรกและสวรรค์นรกอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครค้นพบเน บุคคลเหล่านี้จึงไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไปก็เปล่าประโยชน์สอนไปก็เสียเวลาพระองค์ก็ไม่สั่งสอนพระองค์ทรงมุ่งไปสั่งสอนพวกที่มีศรัทธาในเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์พวกที่เชื่อในการทำบุญละบาปในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้ยุติ การมาเวียนไหวตายเกิดนี่ก็เป็นกลุ่มสามกลุ่มที่มีศรัทธาแต่มีพัฒนาการทางธรรมะต่างกันไปเหมือนกับบัวที่มีการพัฒนาการต่างระดับกันไปบัวเหนือน้านี่เป็นพวกที่ได้พัฒนาการอย่างสูงสุดแล้วขาดเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่สามารถพัฒนากันเองได้ ก็คือปัญญาที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุที่ทำให้พระพุทธเจ้ากายจากปุตุชนมาเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่สิน้นสิ้นกิเลสผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ได้เข้าถึงพระนิพพานจำเป็นจะต้องมีปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปปัญญาอันนี้จะไม่มีใครสามารถที่จะก้าวออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปก่อนพอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปแล้วถ้ามาแสดงธรรมให้กับบุคคลที่ได้พัฒนา การปฏิบัติเต็มขั้นแล้วคือขั้นศีลและขั้นสมาธิคือพวกบรรดานักบวชทั้งหลายพวกบรรดานักบวชนี้เข้าท่มเทชีวิตจิตใจให้กับการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้กับการเจริญสติเพื่อทําจิตให้สงบเป็นสมาธิเขาไม่มีภารกิจอย่างอื่นเป็นนักบวชไม่ทํามาหากินไม่ห า, าลาภยศสรรเสริญ ไม่หารูปเสียงกลิ่นลดมาเสกแต่ต้องการหาความสงบเพราะความสงบที่ได้จากการทําใจให้สงบความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบนั้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่ความสงบที่เขาได้ความสุขที่เขาได้นั้นยังเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวได้ในขณะที่จิตเข้าไปในสมาธิ เวลานั่งสมาธิจิตสงบก็ได้ถึงความสุขอันยิ่งใหญ่แต่พอถอนออกจากสมาธิมาไม่นานความสุขที่ได้นั้นก็จะจางหายไปเพราะ อ, อํานาจของความโลภความโกรธความหลงอํานาจของความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกกาจัดด้วยสมาธิก็จะออกมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบ จึงไม่มีใครสามารถที่จะทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆพอออกจากสมาธิมาพอเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆก็เกิดความทุกข์เห็นร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็เกิดความทุกข์กันขึ้นมาพอไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงต้องทุกข์ อะไรทำให้ทุกข์และวิธีจะทำให้หายทุกข์ทำอย่างไรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่มีใครรู้ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็มาถึงขั้นนี้มาถึงขั้นสมาธิแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้ไปศึกษาที่ไหนไปศึกษากับใครก็ไม่มีใครรู้มากไปกว่านี้รู้เพียงแต่วิธีดับทุกข์ด้วยการเข้าไปในสมาธิเข้าไปทำใจให้สงบ แต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็เกิดความวุ่นวายความวิตกกังวลความทุกข์ต่างๆตามมาไม่มีใครรู้ว่าเกิดจากอะไรและไม่มีใครรู้วิธีที่จะกาจัด ความวุ่นวายใจต่างๆเหล่านี้พระองค์พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดหลังจากลองผิดลองถูกอยู่พักใหญ่ก็ได้ส่งค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่มาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิก็คือกิเลสตัณหานั่นเองกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหา ถ้าเกิดขึ้นเมื่าหลายแล้วจะทําให้ใจสรรั่นจะทําให้ใจกระวนกระวายกระสับกระสายหงดหยิดําคาญใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะกําจัดมันได้ด้วยวิธีใดแต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงพิจารณาดูก็เห็นว่าวิธีที่จะกําจัดความอยากต่างๆก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่เที่ยงมันทําให้เราทุกข์กัน ที่มันทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงมาเป็นของเราเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็จากเราไปพ อ, อจากเราไปเราก็ทุกข์เวลาเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์นี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงเห็นว่าถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ก็จะทำให้เราไม่อยากได้ ที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวสักวันึ่งก็ต้องพัดพากจากกันไม่ช้าก็เร็วเวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขกันแต่พอถึงเวลาต้องพัดพากจากกันก็ร้องห่ o m ร้องไห้กันและระหว่างอยู่ด้วยกันก็มีความไม่สบายใจมีความกังวลกลัวว่าสิ่งที่รักที่ชอบจะต้องจากตนไป พระองค์ทรงเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากได้สิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงที่ไม่ใช่ของเราถ้า <c oughs> ไม่มีความอยากได้พอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ใจก็จะสงบใจก็จะไม่อยากใจก็จะสบายไม่มีความกังวลจึงทรงค้นพบวิธีทําใจให้สงบเวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็สอนใจ ให้ ง, งับเสียอย่าทาตามเพราะการไปทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นเพราะได้อะไรมาพอเสียไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียไปก็อยากได้ใหม่ก็ไปหามาใหม่พอได้มาใหม่ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวพอจากไปก็เสียใจเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ไม่มีอะไรถาวรในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้ใจก็สงบเหมือนเดิมสงบเหมือนตอนที่อยู่ในสมาธิใจก็ไม่ทุกข์กับอะไร นี่คือการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงรู้เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาคือตัณหาความอยากต่างๆและทรงรู้เหตุที่จะระงับตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปก็คือปัญญาการเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่อยากได้นั่นเองพอเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้แล้วพอเห็นว่าเป็นยาพิษก็ไม่อยากจะดื่มแล้ว พอเห็นว่าเป็นกินแล้วจะ ต, ต้องเป็นโรคมะเร็งก็ไม่มีใครกล้ากินล่ะแต่ถ้ายังไม่มีใครค้นพบว่าเป็นกินแล้วเป็นโรคมะเร็งก็กินกันใหญ่แล้วพอมาเป็นโรคมะเร็งก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาผู้ที่ไปมีความทุกข์กันก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ตอนต้นมันเป็นความสุข ได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกิ่นลดมาใหม่ๆนี่มันสุขแต่พอมันดับไปมันจากเราไปนี่มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมามองไม่เห็นตอนที่มันดับมองเห็นแต่ตอนที่มันเกิดตอนที่มันเจริญมองไม่เห็นตอนที่มันเสือ่อมยังั้นผู้ที่จะกํำจัดความอยากได้ต้องมองให้เห็นความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ ให้มองเห็นว่าเป็นสมบัติชั่วคราวได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพลาดพลาคจากกันไปไม่ใช่ของเราถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่านี่คือธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงสแสดงในครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชานี้ให้แก่พระปัญจวัคคีผู้ที่มีศีลมีสมาธิ สมบูรณ์พอได้ฟังด้วยฟังปัญญาที่พทะเจ้าได้ทรงตรัสรู้หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกนทัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นแล้วก็เลยหยุดอยากกับสิ่งที่มีการเกิดมีการดับเพราะ ถ้าไม่หยุดก็จะต้องไปเจอความทุกข์นั่นเองเวลาที่สิ่งที่อยากได้นั้นมันดับไปอานก็เลยได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งได้ละบรรลุอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยสองฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาวันนั้นจึงเป็นวันที่เป็นวันที่เกิดวันเกิดของพระพุทธศาสนา พระองค์ประกอบของพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามองค์ด้วยกันคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสามพระอริยสงฆ์สาวกวันวันนั้นคือวันเพ็นเดือนแปดวันอาสาลหาหบูชาเป็นวันที่พระพุทธศาสนามีครบองค์ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นวันคลอดวันเกิดของพระพุทธศาสนา เหมือนกับร่างกายของพวกเราที่คลอดออกมาจากท้องแม่เมื่อเรามีอาการครบสามสิบสองถ้ายังไม่ครบสามสิบสองนี้ยังไม่คลอดเช่นเวลาตั้งท้องใหม่ๆอยู่ในท้องแม่นี้อาการสามสิบสองยังไม่ครบค่อยๆเพิ่มไปทีละอาการสองอาการพอได้อาการสามสิบสองแล้วก็คลอดออกมาจากท้องแม่คลอดออกมาเป็นคน สมบูรณ์ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันวันก่อตัวของพระพุทธศาสนาวันแรกก็คือวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงปรากฏขึ้นมาให้แก่อยู่ในปรากฏขึ้นมาในโลกวันที่สมามณะโคโดมวันที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ตัดจารุพระอนุตตลัมมาสัมโบธยาน ได้ตัดสู้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเป็นมนุษย์เป็นร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเหมือนวันวันตั้งครรภ์วันที่พ่อกับแม่ได้มาผสมพันธ์กันแล้วทำให้เกิดการตั้งตั้งท้องขึ้นมาวันแรกของการตั้งท้องของพระพุทธศาสนาก็คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสั้ แล้วหลังจากนั้นอีกสองเดือนเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมที่จะประกาศพระธรรมคำสอนพระองค์ก็ส่งไปสแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีหลังจากที่สแสดงธรรมที่มีชื่อว่าธรรมาจากกับปวัตตนสูตรส่งแสดงเรื่องของทุกเรื่องของเหตุของทุกเรื่องของความดับทุกเรื่องของ เหตุที่จะทําให้เกิดการดับทุกข์ขึ้นมาพอได้แสดงเสร็จหนึ่งในผู้ฟังก็ได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาจึงทําให้มีองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาครบทั้งสามองค์ในวันนั้นในเวลานั้นคือมีพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมมีพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้แก่พระปัญจวัคคีย์ แล้มีหนึ่งในพระปัจจาวคีได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นโสดาบันวันนั้นจึงมีวันนั้นจึงถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาถ้าเราจะนับวันเกิดหรืออายุของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องนับจากวันนั้นมาวันเพนเดือนแปดนับมาก็สี่สิบห้าปี จนถึงวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันพ ร, นระนิพพานพระพุทธศักราชนี้เราเริ่มนับจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันท้าพระนิพพานปีนี้ 2,560 ปีที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันพระพระพรนิพพานจากโลกนี้ไปแต่4 5ปีก่อนที่จะทรงดับขันทรงประกาศพระธรรมคําสอนเป็นขั้งแรก ถเราอยากจะรู้ว่าอายุของพระพุทธศาสนามีกี่ปีเราก็บวกอีก45ปีไปที่ปีของพุทธศักราชเช่นปีนี้เป็นพุทธศักราช 2,560 ก็บดเข้าไปอีก45ปีก็ได้อายุของพระพุทธศาสนาเป็น 2,605 ปีนี่คือ การปรากฏการเกิดของพระพุทธศาสนา 2,600 กับ5ปีแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ไปได้ไม่เกิน 5,000 ปีคือเรามาเกินครึ่งทางแล้วเรามา 2,500 เป็นครึ่งทางบวกอีกร้อยสี่ปีแล้วต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะ ค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆตอนนี้เรามาครึ่งทางถ้าเป็นคนก็อายุกลางกลางกลางคนละถ้าอายุ90ก็คนตายอายุ90ก็ถือว่ากลางคนก็อายุ45ปีเลยประมาณ45ปีก็จะต้องตายกันพระพุทธศาสนาของพวกเราก็อยู่ประมาณกลางครึ่งทาง เหลืออีกประมาณสอง0ร้อกว่าปีก็จะสูญจากโลกนี้ไปแล้วการที่เราจะกลับมาเกิดในคราวหน้ามาเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกได้เมื่อไหร่อาจจะเป็นอีกหลายหลายพันปีหรือหมื่นปีก็ได้เพราะเราอาจจะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนก่อนที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง การโอกาสที่เราจะได้พบกับพระพุทธศาสนาในแต่ละครั้งนี้จึงไม่เป็นของง่ายเลยครั้งนี้เราถือว่าโชคมหาศารเหมือนกับถูกรัตเตรี่รางวันที่หนึ่งที่ไม่ได้ถูกกันได้อย่างง่ายๆแต่การถูกรัตตรี่ของพระพุทธศาสนานี้รางวัลมันดีกว่าการถูกรอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งรางวันที่หนึ่งเราก็ได้เงินเป็นล้าน เงินเป็นล้านก็ทําได้ประโยชน์ได้กับเพียงร่างกายช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายแต่ก็ไม่สามารถที่จะม า, ายุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้แต่รางวัลของพระพุทธศาสนานี้จะเป็นรางวัลที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันจะทําให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันได้ไปพบกับ นิบบานังปละมังสุขขังกันได้พบกับบรมสุขความสุขที่สูงสุดความสูงสุดยอดที่มนุษย์เราจะพึงหากันได้ก็คือความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขสุดยอดเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เราได้ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมามากน้อยเพียงไรได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านแสนล้านก็ยังต้องพบกับความทุกข์อยู่เพราะเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไปทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ได้หรือจะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ แต่ถ้าได้อริยสมบัติได้สมบัติของพระพุทธศาสนา<ม>ได้บรรลุถึงพระนิพพานก็จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไปไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ไม่สามารถทำใจให้ทุกข์ได้แล้วก็ไม่ต้องไม่สามารถดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป อันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาที่นานๆจะมาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งผู้ใดได้มาเกิดในช่วงที่มีพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนามากเพราะถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้จะต้องไปบำเพ็ญบา ร, รมีเองเป็น เป็นแสนกับเนเป็นเวลาหลายล้านล้านล้านปีด้วยกันอย่างที่พระพุทธเจ้าของพวกเราทรงบำเพ็ญมาพระพุทธเจ้านี้ได้ทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมาเป็นหลายกับด้วยกันจนถึงชาติสุดท้ายที่ทำให้พระองค์นี้ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่พวกเราถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วนี้ เราไม่ต้องบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นกับเป็นแสนเพื่อให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันแล้วเพราะเรามีผู้นำทางมีผู้สอนผู้บอกเราแล้ ว, ลวถ้าเราทําตามนี้พระพุทธเจ้ารับประกันเลยว่าสามารถถึงพระนิพพานได้อย่างเร็วก็เจดวันถ้าช้ากว่าน่อยก็เจ็ดเดือนแต่ไม่เกินเจ็ดปีถ้าสามารถปฏิบัต ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติได้อย่างตัวอย่างพระปัญจวัคคีย์นี้พอได้ฟังธทำจากพระพุทธเจ้าเพียงสองสามครั้งเท่านั้นเองก็ได้บรรลุปเป็นภาพอาหารพร้อมๆกันทั้งห้ารูปเลยในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง แ, แ, สแสดงอนัตตลักษณสูตรที่ส่งสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มาจากดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่ออพอพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังแล้วเข้าใจก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางราบยศสรรเสริญปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสไล่อยวางสังขารร่างกาย ปล่อยวางเวทนาปล่อยวางธรรมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจพอรู้ว่าไม่ได้เป็นของตนไม่สามารถไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าไปอยากให้สุขแล้วไม่ได้ก็จะทุกข์แต่ถ้าไม่ไปอยากแล้วก็จะไม่ทุกข์ท่านก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปล่อยวางด้วยการหยุดความอยากในลาบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์ ในร่างกายในเวทนาในธรรมอารมณ์ต่างๆใจของท่านก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการมีการตัดสรมุมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุนี้ไม่มีใครได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยติดกันอยู่ที่สมาธินั้นเท่านั้น ทำสมาธิได้ดับความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธิได้แต่เป็นการดับชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็กลับคืนมาใหม่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงคนทคนพบต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากตัณหาทั้งสามและทรงค้นพบปัญญาคือความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพอเห็นอันนี้ ก็สามารถระงับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ใจก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ตอนนั้นก็เลยมีพระอาหารหันตปรากฏขึ้นมาหกรูปนับถึงพระพุทธเจ้าด้วยในโลกมีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันตปรากฏขึ้นมาหกรูปหนึ่งรูปเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกห้ารูปเป็นพระอาหารหันตสาวกต่างกันตรง ที่ผู้ที่บรรลุ ด, ด้วยตนเองเราเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ที่บรรลุ ด, ด้วยการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระอรหันตสาวกแต่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันคือเป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยกันเป็นผู้ที่ถึงพระนิพพานด้วยกันเป็นผู้ที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้แล้วเนี่ย เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่มีรูปนึงเป็นพระอรหันตตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่สามารถมีพระอรหันตัดสาวกได้พระอรหันตัดสาวกนี้จึงต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วมาสั่งสอนผู้อื่นพอพระพุทธเจ้าสั่งสอนพอได้ยินได้ฟังแล้วมีความสามารถที่จะทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ ก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในเวลาอย่างอย่างอย่างสั้นอย่างรวดเร็วอย่างอย่างพระบัญจารวาคีนี้คิดว่าไม่เกินเจ็ดวันเนี่ยหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นครั้งแรกและครั้งที่สองในทางในคำพีไม่ได้เขียนว่าใช้ระยะเวลากี่วันแต่ทรงแสดงได้สแสดงไว้ว่าหลังจากที่สแสดงพระอนัตตลักษณ์าสูตร บรรดาพันจาวังคีทั้งห้าก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันตสาวกกันขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนี่คือความมาสัจจั์ของการปรากฏขึ้นมาของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพระอาหารหันตสาวกแม้แต่รูปเดียวเลยเพราะไม่มีใครจะมีความสามารถที่จะเป็นพระอาหารหันได้ด้วยตนเองต้องรอให้มีพระอาหารหันตสามมาสัมพุทธเจ้า มาสั่งสอนเท่านั้นซึ่งนานๆจะมีสักองหนึ่งซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคทองของผู้ที่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาติดอยู่ที่สมาธิไม่รู้ว่าปัญญาเป็นอย่างไรพอมีพระอหรหันต์ตสามมาสามพุทธเจ้ามาค้นพบปัญญาค้นพบใจ ล, ลักค้นพบพระอริยสัจสี่ก็สามารถปฏิบัติตามที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นได้แล้วก็ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกอย่างทุกประการหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงไปโปรดพวกที่เป็นนักบวชตามสำนักต่างๆเพราะทรงมุ่งไปสอนพวกที่เป็นหัวกะทิก่อนเป็นบัวเหนือน้ำก่อนเอาพวกบัวเหนือน้ำนี้มาสอนก่อนพอเมื่อสอนเขาแล้วเขาบรรลุแล้วเขาจะได้ มาช่วยสั่งสอนเผยแผ่ธรรมอีกให้กับพระ อ, องค์อีกต่อห น, นึ่ง <Yeah. S 1> ไปในระยะเวลาเจ็ดเดือนนี้คือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันนี้ไปจนถึงวันมาฆาบูชาคือวันเพ็ญเดือนสามก็อีกเจ็ดเดือนนี้ก็ปรากฏมีพระอาหารหันต์ตาวกอย่างน้อยที่มีอยู่ในโลกนี้ก็หนึ่งันสรหรูปแล้วที่ได้มาเฝ้า พ, พระพุทธเจ้าในวันมาคาบูชากัน มาจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาด้วยความสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ต้องกลับมาทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปทำให้เขาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดทำให้เขาพบกับบรมสุขของพระนิพพานความทราบซึ้งในพระกรุณาของพระพุทธเจ้านี้ ยิ่งทำบนโดนบรรดาลให้พระอาหารหันต์หนึ่ร้อยหรูปที่ไปเผยแผ่ธรำอยู่ตามสารทิตต่างๆนั้นทรงคิดถึงพระพุทธเจ้าและตั้งใจเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันนั้นโดยเป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าได้มอบนโยบายให้แก่พระอาหารหันต์ตถาวกในการเผยแผ่สั่งสอนให้มีการสั่งสอนไปในทิศทางเดียวกัน คือให้สอนสามประการด้วยกันคือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมละชำ่ละจิตใจให้สะอาดพอสุดคือกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่ทำให้ใจต้องทุกข์ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือความสำคัญของวันต่างๆของพระพุทธศาสนา มีอยู่สามวันด้วยกันวันแรกก็คือวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตว์ทรงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนแรกทรงถึงพระนิพพานเป็นคนแรกแล้วต่อมาอีกสองเดือนก็ทรงประกาศพระธรรมคําสอนวิธีที่จะทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดวิธีที่จะทําให้ไปถึงพระนิพพาน พอหลังจากทรงสแสดงเสร็จก็มีพระอริยสงสาวกบรรลุขึ้นมาหนึ่งรูปและหลังจากนั้นสแสดงไปอีกก็ทําให้มีพาาาระอรหันตปรากฏขึ้นมาอีกห้ารูปเป็นหรูปแล้วหลังจากนั้นก็ทรงไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับบรรนานักบวชตามสำนักต่างๆพอบรรนานักบวชเหล่านั้นที่เป็นขัวกะทิที่มีศีลมีสมาธิปัญญาเต็มร้อย พอได้ยินได้ฟังก็บรรลุทำพร้อมๆกันเลยครั้งหนึ่งไปทรงแสดงในสำนักที่มีนักปฏิบัติอยู่ห้าร้อยรูปด้วยกันนักบวชห้าร้อยรูปหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จบรรดานักบวชทั้งห้าร้อยรูปนั้นก็บรรลุเป็นผ้าอานันต์ขึ้นมาพร้อมๆกันเลยคิดดูสิง่ายขนาดไหนว่าถ้ามีคนสอนแล้วนี่มันง่ายถ้าคนฟังนี้มีกาลังที่จะปฏิบัติตามได้ พวที่ยังมีกําลังปฏิบัติตามที่จะสามารถบรรลุได้ในขณะที่ฟังธทำเลยเนีย่ก็พวกที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเต็มร้อยเนี่ยพวกนี้พอได้ยินได้ฟังธรรมได้ฟังปัญญาก็จะสามารถน้อมนําเอามากําจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการพิจารณาในขณะที่ฟังนั้นเลย นี่คือพวกเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งหลังจากที่ได้ทรงสอนพวกนี้จนหมดแล้วพระองค์ก็ไปสอนพวกบัวเหล่าที่สองพวกบัวปิ่มน้าพวกนี้ก็คือพวกนักบวชที่มีศีลที่บอยสุดแต่ยังไม่สามารถบรรลุคือยังไม่สามารถได้สมาธิยังเข้าฌานไม่ได้กำลังฝึกจเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ ถ้าสงบก็สงบเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่ถึงฐานถึงรากของของสมาธิพวกนี้ถ้ามาสั่งสอนให้เขาพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นจะเลี้สติให้มากขึ้นเพื่อให้ได้สมาธิแล้วพอเขาได้สมาธิก็สอนให้เขาพิจารณาทางปัญญาให้พิจารณาใจรักให้พิจารณาอริยสัจสถ้าเขาพยายามปฏิบัติตามที่ทรงสอน อีกไม่นานเขาก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาบุกันพวกนี้อาจจะเป็นพวกเจ็ดเดือนหรือเป็นพวกเจ็ดปีอาจจะเป็นพวกเจ็ดเดือนพวกกลุ่มที่สองนี้เป็นพวกเจ็ดเจ็ดเดือนกลุ่มแรกนี้เป็นพวกเจ็ดวันพวกที่ทรงแสดงครั้งแรกให้กับพวกปัญจวัคคีย์นี้เป็นพวกเจ็ดวันเพราะพวกนี้มีศีลมีสมาธิเต็มร้อยแล้ว พวกที่สองนี่เป็นพวกที่มีศีลตเต็มร้อยแต่สมาธิยังไม่เต็มร้อยถ้าหมันเจริญสติมันนั่งสมาธิตามจิตให้รวมบ่อยๆเราไปก็จะได้สมาธิตเต็มร้อยพอได้สมาธิเต็มร้อยแล้วออกพิจารณาทางปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พวกนี้ก็อยู่ในกลุ่มเจเดือน บวชเหล่าที่สองนี้เป็นพวกเจ็ดเดือนแล้วหลังจากที่ได้สอนพวกนี้แล้วพระองค์ก็ไปสอนพวกที่สามพวกที่สามนี้ก็คือไก่ก็คือพวกที่ศีลยังไม่บริสุทธิ์คือพวกที่ยังไม่ได้บวชอย่างเช่นกาลวาตญาติโยมอย่างพวกเหล่านี้ยังไม่ได้บวชกันศีลของเรายังขาดขาดเกินเกินอยู่บางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้ บางทีก็ได้แค่ศีลห้าบางทีก็ได้แค่ศีลแปดไม่แน่นอนศีลยังไม่บริสุทธิ์การ น, นั่งสมาธิก็พอหอมปากหอมคอเพราะยังไม่เข้าถึงอัปปนานั่งกันแล้วก็นั่งได้แต่จิตยังไม่ค่อยสง บ, บยังไม่รวมเพียงแต่ไม่พุ้งซ่านเท่านั้นเองปัญญาก็ฟังเทศฟังธรรมพอเข้าใจว่าตายลักเป็นอย่างไรพอเข้าใจว่าอริยสัจสีเป็นอย่างไร แต่ยังไม่สามารถน้อมนำเอามากำจัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้พวกนี้ต่อไปถ้าขยันรักษาศีลห้าให้บ่อยสุดทุกวันแล้วก็วันพระก็หัดถือศีลแปดกันไปอยู่วัดกันไปฝึกนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมกันถ้ามันทำบ่อยๆต่อไปจิตก็จะมีกำลังมากขึ้น ศีลก็จะเริ่มบริสุทธิ์มากขึ้นสมาธิก็เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาปัญญาก็เริ่มมีเขามีแววปรากฏขึ้นมาให้เห็นจนทำให้เกิดศรัทธาที่อยากจะออกบวชตอนต้นก็เป็นคารวาดก่อนปฏิบัติในคาบของคารวาดไปก่อนพอได้ผลมากขึ้นก็จะมีกำลังมากขึ้นที่จะตัดความผูกพันกับสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายก็ไม่นานก็จะอยากจะบวชพอออกบวชแล้วไปปฏิบัติไม่กี่เดือนกี่ปีก็จะได้บรรลุธรรมเหมือนกับกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองเป็นบวกลุ่มที่สามบวอยู่กลางน้ำต้องใช้เวลาพัฒนานานกว่าพวกปิมน้าหรือพวกเหนือน้ำ แต่ก็ถ้ามีการเจริญเติบโ ต, อ, ต, อ, ต อ, อย่างต่อเนื่องไม่นานก็สามารถที่จะโผล่เหนือน้ำไล่บานได้พวกนี้เกือพวกตอนนี้เป็นคารวะญาติโยมถือศีลห้าบ้างถือศีลแปดบ้างนั่งสมาธิบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างแต่ยังไม่ทาเป็นกรอบเป็นกรรมเพราะยังมีภารกิจการงานต่างๆต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงกิเลสเลี้ยงตัหายอยู่ ก็ <utan> เลยยังไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะมาม า, มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างตลอดเวลาแต่ก็มันพยายามปฏิบัติไปเวลาไหนมีเวลาว่างก็พยายามปฏิบัติไปแล้วพอปฏิบัติไปเรื่อยๆทำก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆศีลก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นไปเรื่อยๆกำลังที่จะรักษาศีลแต่ก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็อาจจะรักษาเพียงวันเดียวต่ออาทิตย์ต่อไปก็เพิ่มเป็นสามวันห้าวันไปลดการทำงานให้น้อยลงลดการผูกพันต่อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไปตามลำดับปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลจากการปฏิบัติก็จะมีมากขึ้นแล้วมันจะมาถึงจุดหนึ่งที่จะทำให้มีกาลังที่จะสละการคองเรือนได้พร้อมที่จะออกบวชได้ พอออกบวชแล้วก็บำเพ็ญต่อไปไม่นานไม่เกินเจ็ดปีเนี่ยรับรองว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกๆุกคนถ้ามีความศรัทธาที่แน่วแน่มีความเพียรที่แก่กล้ามีความอดทนต่อความทุกข์ยากลาบากต่างๆไม่ท้อแท้เบื่อหน่ายกับการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญารับรองได้ว่าจะต้องได้บรรลุธรรมอย่างแน่นอน ายในเจ็ดปีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณไว้นี่คือพวกบัวสามเหล่าที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเป้าหมายไปเผยแผ่ธรรมเบื้องต้นเอาเอากลุ่มแรกก่อนเพราะฉลาดรู้ไวมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมพอแสดงธรรมก็บรรลุได้เลยแล้วพอเขาบรรลุแล้วเขาก็มาช่วยเผยแผ่ธรรมอีกตออ่อหนึ่ง พระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปนี้ไปเผยแผ่ตามสารทติต่างๆถ้าพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่คนเดียวก็ไปไม่ไหวเลยฉลาดเลยเลือกสอนคนฉลาดก่อนเอาคนฉลาดนี้มาช่วยสั่งสอนสอนให้เขาเป็นพระอาหารหันต์ก่อนแล้วพอเขาเป็นพระอาหารหันต์แล้วเขาก็ไปช่วยสั่งสอนต่อก็ไปสอนกลุ่มที่สามกันพวกกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งพอบรรลุ ก, ก็ไปสอนพวกกลุ่มที่สอง กลุ่มที่สมกันเพอกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อน้อมเอามาปฏิบัติกันปฏิบัติกันไปก็พัฒนากันไปแล้วในที่สุดก็ได้ไปถึงเป้าหมายในระยะเวลาเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีตามฐานะของแต่ละผู้ที่ได้สัมผัสธรรมส่วนพวกที่เป็นพวกที่สี่นี้พระพุทธเจ้าก็ต้อง ต้องตัดไปเพราะสอนไปก็เปล่าประโยชน์สอนเขาก็ไม่เชื่อสอนไปก็ไม่นําเอาไปปฏิบัติดีไม่ดีกลับจะถูกเขาเอหาว่าบ้าสิอีกวันก่อนไม่ทราบใครไปโพสในเฟซบุ๊กว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําไม่ได้สอนให้ทําบุญไม่ได้สอนให้ละบาปสอนให้เป็นนิพพานอย่างเดียวใครมาสอนให้ทําบุญละบาปนี่บ้าหรือเปล่า ไม่ทราบใครไปตัดทิงแล้วแต่ยังเห็นอยู่ก็นี่แหละคนแบบนี้สอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเขาไม่เชื่อเขาไม่ชอบทำบุญเขาไม่ชอบละ บ, บาปเขาชอบละ บ, บาปเขาชอบทำบาปเขาไม่ชอบทำบุญเขาก็เลยอ้างว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำบุญไม่ได้สอนให้ละบาปสอนให้ไปนิพพานอย่างเดียวอไปด้วยการกินเหล้าด้วยการเล่นการพนันด้วยการเที่ยวเตะ อันนี้เขาคิดว่านี่คือนิพพานของเขาความสุขของเขาพวกนี้สอนไปก็เปล่าประโยชน์สอนไปก็เสียเวลาเปล่าเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยไม่สอนนี่คือเรื่องของบัวสีเหล่าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจาแนกแยกไว้แล้วทรงทรงนาเอาธรรมะอันประเสริฐไปสอนให้แก่กลุ่มที่มี ความสามารถที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้แล้วก็มีผู้ได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์กันเป็นจำนวนมากถ้ามีใครเก็บสถิติไว้นะคิดว่ามราอรหันต์นี่มีเป็นจำนวนล้านถ้านับตั้งแต่วันที่พุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกยุคทุกสมัยนี้ยังมีพระอรหันต์อยู่เพียงแต่อาจจะมีไม่มาก และเราไม่รู้จักกันเท่านั้นเองแต่ในกลุ่มผู้ปฏิบัตินี้เขาจะรู้กันว่าพาพรูปใดเป็นพาพอารหันกันเพราะเขาส่อแสแวงหากันและเขามีความสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าพาเหล่านั้นเป็นพาพอารหันได้หรือจริงหรือไม่แต่ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้จะจะไม่รู้กันแต่มีพาพอารหันนี้มา อยู่ในโลกนี้มาอย่างต่อเนื่องกันถ้าไม่มีพระอรหันต์บางยุค ก, ก็ยังมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันถ้าไม่ได้ศึกษากับพระอรหันต์โดยตรงถ้าศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ก็ยังสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้จนถึงยุคปัจจุบันนี้ เราก็ได้ศึกษาประวัติอันสวยงามของพระอาจารย์มั่นท่านเป็นพระอาหารหันต์ในยุคปัจจุบันที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สร้างพระอาหารหันต์ให้มาปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากในสมัยปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าพระตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสว่ากขาโตภควตาธรรมโนนั่นเองเป็นความจริงทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นยุคของพระพุทธเจ้าหรือเป็นยุคของปัจจุบันนี้เพราะตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังจริงเหมือนเดิมไตรลักษณ์ก็ยังเป็นไตรลักษณ์เหมือนเดิมอริยสัจสีก็ยังเป็นอริยสัจสีเหมือนเดิมและผลจากการปฏิบัติก็เป็นมรรคผลนิพพานเหมือนเดิมเป็นอากาลิโกรทำของพุทธเจ้าไม่มีวันเสื่อมไปตามการตามเวลาถ้าผู้ใดสามารถน้ อ, นอมนำเอาไปปฏิบัติได้ ผู้นั้นก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้สามารถบรรลุถึงพันนิพพานได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นขาา่าวว่าหรือเป็นผู้ครองเรือนอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวที่จะชี้บ่งว่าจะเป็นพระ อ, อรหันต์ได้หรือไม่สิ่งที่จะชี้บ่งว่าเป็นพระ อ, อรหันต์ได้หรือไม่ก็คือสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ได้เต็มร้อยหรือไม่อันนี้เป็นตัวชี้บกถ้าใครสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยก็จะได้เป็นพระอรหันต์กันทุกรูปอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่สมัยพุทธกาลสามเณรบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีผู้ใหญ่ก็มีคนแก่ก็มีคนหนุ่มก็มีนักบวชก็มีคารวะก็มีหญิงก็มีชายก็มีมีทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพ เพราะการบรรลุพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยอยู่ที่สถานภาพแต่อยู่ที่ทำในใจว่ามีอยู่หรือไม่ก็คือมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยอยู่หรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นพวกเราถ้าอยากจะตากดวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาขอให้เราน้อมเข้ามาดูที่ใจของเราหรือว่าเรามีศีลบรสุทสุดเต็มร้อยหรือเปล่ามีสมาธิเต็มร้อยหรือเปล่ามีปัญญาเต็มร้อยหรือเปล่า ให้ดูตรงนี้ถ้าไม่มีก็รีบสร้างมันขึ้นมาสร้างได้ของพวกนี้เหมือนบ้านไม่มีบ้านอยากจะมีบ้านก็สร้างได้ไม่มีศีลก็สร้างได้ไม่มีสมาธิก็สร้างได้ไม่มีปัญญาก็สร้างได้ขอให้มีศรัทธาความเชื่อขอให้มีความเพียรที่ที่เหนียวแน่นที่แก่กล้ามีความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าจะสร้าง ศีล ส, สมาธิปัญญานี้ให้เต็มร้อยให้ได้ถ้ามีอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะได้หลุดพ้นกันทุกคนอย่างแน่นอนดังนั้นเนื่องในวันอาสาละบูชา ว, วันเกิดของพระพุทธศาสนานี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนอันประสริดของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติกันเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสง ที่มีพระคุณต่อพวกเราอย่างมหาศาลด้วยการปฏิบัติบูบชาเถิดแล้วเราจะได้รับประโยชน์และเราจะได้นักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอันยาวนานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 ระโสยะาสพีติโยวิวัชจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนสีฤทธะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรมาวาธานติอายุวโนสุขัง พาล่างลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไปจนถึงที่เราเลิกประชุมเลยแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ขออนุญาตยุติการถามตอบถ้าใครอยากจะถามก็ส่งคำถามเข้ามาก็ได้ถ้าไม่อยากจะมาเอง ถ้าต้องการจะมาพูดก็มีไมโครโฟนรอรับท่านอยู่ถ้ายังไม่มีใครถามจะให้ทาง Facebook กับ YouTube วันนี้ไม่ทราบเข้ามาเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยสามสิบกว่าอ่า y o u t u แปดสิบกว่าครับพอาจารย์ถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้คำถามแรกเป็นผู้ฝากถามนะครับพบ ชาญแตกต่างกันหรือเหมือนกันใหม่คะพบเหรอพบครับพบก็แปลว่าชาติไงแต่ละาพบแต่ละชาติเช่นตอนนี้เรามาเป็นอยู่ในพบของมนุษย์เป็นชาติของมนุษย์นแต่ชาญ น, นี้แปลว่าความสงบของจิตที่มีอยู่แปดระดับด้วยกันรูปฌานสี่อรูปฌานสี่เกิดจากการที่เรามีสติให้จิตเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นลมหายใจเข้าออกถ้าเราดูลมหายใจโดยที่ไม่ได้คิดอะไรจิตเราก็จะเป็น ก, ก็จะเข้าฌานฌานขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเหมือนกับการขับรถยนต์ที่เราเปลี่ยนเกียร์ตอนต้นเราออกรถเราก็เข้าเกียร์หนึ่งพอรถเริ่มวิ่งเราก็เข้าเกียร์สองเปลี่ยนไปเรื่อยๆรถก็จะวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปตามกำลังของเกียร์ ฉันใดความสงบของจิตก็จะสงบมากขึ้นตามกำลังของสติที่จะทำให้ได้เข้าสู่ความ ส, สงบระดับต่างๆคำถามจากทางเฟ e บุ o k นะครับจุธาทิพย์นะครับไม่เข้าใจความรู้สึกตัวต้องเป็นอย่างไรบางทีรู้สึกเหมือนรู้แบบลอยๆถือว่ายังหลงอยู่หรือเปล่าคะหรือต้องคอยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า ตอนนี้รู้สึกอย่างไรพอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยๆอย่างนี้หรือเปล่าคะความจริงมันไม่ต้องถามหรอกถ้ามันเป็นของจริงถ้ามันยังเป็นไม่เป็นของจริงมันก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสติหนึ่งก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่มีแล้วความสงบก็ไม่มีมันก็เลยมองไม่เห็นว่าใจเราเป็นอย่างไร แต่ถ้าเราฝึกสติไปเรื่อยๆจิตเข้าสู่ความสงบตามลำดับมีปัญญาที่จะวิเคราะห์จิตเนเราก็จะรู้สภาพของจิตว่าเป็นอย่างไรถ้ายังไม่รู้ก็แสดงว่าเรายัางขาดการปฏิบัติศีลขาดการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอยู่ถ้าปฏิบัติไปแล้วต่อไปเราจะสามารถดูจิตของเรารู้ว่าจิตของเรานี้ทุกข์หรือสุขสงบหรือไม่สงบ คำถามจากคุณเดียนะครับตอนนั่งสมาธิผมภาวนาพุทโธแล้วรู้สึกว่าหนักลมหายใจและหายใจไม่สะดวกเหมือนจะกั้นลมหายใจมันเป็นของมันเองครับควรแก้ไขอย่างไรก็อาจจะไม่เหมาะกับเราการดูลมไม่เหมาะกับเราก็ลองใช้คำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับลมให้นึกถึงคำบริกรรมเอาอย่างเดียวไม่ต้องเอาลมถ้าบริกรรมพุทโธอย่าง มีปัญหาอยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดไปภายในใจเหมือนกับเราบริกรรมพุทโธอย่าออกเสียงใช้ใจสวดใช้ใจบริกรรมถ้าใช้ร่างกายนี้มันจะไม่สงบเพราะร่างกายต้องทางานเราต้องการให้ร่างกายอยู่เฉยๆแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้ถ้ายังพุทโธไม่ได้ยังดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนจนใจรู้สึกสบาย แล้วก็ลองพุดโทไปหรือลองดูลมหายใจต่อไปคำถามคำถามจากคุณพี โ, โกนะครับการพิจารณาสิ่งที่ทำเป็นนี่สงหรือวัดต้องดูอย่างไรอ๋อนี่เป็นธรรมเนียมที่เวลาที่เรามาวัดกันแล้วเราใช้ของในวัดเช่นใช้น้ำใช้ไฟนี่มันเป็นสมบัติของวัดไง พอเราใช้ก็เหมือนกับว่าเราเอาสมบัติของวัดไปใช้เราก็เลยเป็นนี่ของวัดคําว่าสงก็คือวัดนี่เองงั้นก็เลยเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราเวลาเข้าวัดเรามักจะใช้นี่สงด้วยการทําบุญกันทําบุญเอาเงินบอยจากใส่ตู้ไปอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้นี่สงแต่ความจริงไม่ใช้ก็ไม่เป็นนี่หรอกเพราะว่ามันเป็นของญาติโยมนั่นแหละน้ําไฟก็เป็นของญาติโยม ญาติโยมถวายให้กับวัดวัดวัดเองไม่มีสมบัติอะไรหรอกก็เป็นสมบัติของญาติโยมช่วยกันสร้างกันขึ้นมาช่วยกันดูแลเพื่อที่เราจะได้มาใช้วัดเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ใช้นี่สงก็ไม่ได้เป็นนี่เพราะทางวัดนี้ทําไว้ต้อนรับพวกเรามีห้องน้ํามีน้ํามีไฟไว้ต้อนรับพวกเรา แต่โดยธรรมเนียมเราเข้าวัดเราก็ตั้งใจจะมาหาบุญกันเราก็เลยไม่อยากจะมาเป็นนี่เราก็เลยมาวัดอย่างน้อยเราก็ต้องทำบุญละถ้ามาพักก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบุรณะซ่อมแซมอาคารอะไรต่างๆไปตามธรรมเนียมคำถามเจาคุณหมูนะครับเหตุใดสมัยนี้มีการสอนแบบ การปฏิบัติแบบอาณาปานสติหรืออื่นๆพอได้ความสงบแล้วตามดูจิตเลยแล้วจะเห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วปล่อยวางได้เลยโดยไม่มีการพิจารณาอสุภะการทำแบบนี้สามารถบรรลุทำขั้นโสดาบันได้หรือไม่ครับขั้นสูงกว่านั้นผมคิดว่าไม่มีทางได้แน่ๆคือการพิจารณาสิ่งต่างๆนี้ก็เพราะว่าเรายังมีความผูกพันกับมันอยู่ เรายังทุกข์กับมันอยู่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็จะไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เราไปผูกพันด้วยว่ามันเป็นทุกข์ก่รร่างกายนี้เราเป็นทุกข์กับมันเพราะเราไปมีความผูกพันกับมันไปคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่พิจารณาดูความจริงว่ามันเป็นตัวเราของเราหรือไม่เราก็จะคิดว่าเป็นของเราแล้วเวลามันเป็นอะไรมันก็จะทาให้เราทุกข์ แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เรายังไม่เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าเห็นเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราถ้าเราพิจารณาเป็นเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายที่บางสำนักหรือบางอาจารย์นี้ท่าน บุ้งไปที่จิตเลยข้ามเวทนาข้ามอสุภะข้ามร่างกายเพราะท่านคิดว่าถ้าไปแก้ที่จิตตัวเดียวแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเพราะปัญหาต่างๆเกิดที่จิตอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไม่ต้องสอนให้พิจารณาร่างกายไม่ต้องพิจารณาอสุภะไม่ต้องพิจารณาเวทนาให้เสียเวลาก็จะสอนให้พิจารณาจิตอย่างเดียว แต่ตามหลักที่ทรงสอนก็ท่งสอนให้พิจารณาร่างกายเวทนาจิตตามลําดับไปงั้นก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะหลงทางได้เพราะผู้ที่สอนอาจจะหลงทางแล้วก็สอนไปตามความเข้าใจของตนเองจะคุณนนันทกาณนะครับ การแยกธาตุแยกขันทำอย่างไรต่างกันอย่างไรเจ้าคะคือว่าธาตุขันนี้ก็คือร่างกายเราต้องการแยกร่างกายออกจากใจเพราะตอนนี้ร่างกายกับใจนี้เป็นเหมือนน้ํากับขวดน้ํามันอยู่ในที่เดียวกันเราก็เลยคิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมเราคิดว่าใจกับร่างกายนี้เป็นอันเดียวกันแต่ความจริงมันเหมือนน้ากับขวดน้ํามันเพียงแต่อยู่ติดกัน แต่มันไม่ได้เป็นอันเดียวกันวิธีที่เราจะดูว่าน้ํากับขวดน้ําต่างกันเราทําไงเราก็เทน้ําออกมาเทไปใส่อีกแก้วหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอ๋อน้ํากับขวดน้ํานี้ไม่เหมือนกันน้ําเปียกน้ําเป็นธาตุน้ําแต่ขวดเป็นธาตุดินเป็นของแข็งของเหลวใจก็เหมือนกันใจเป็นผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ําลมไฟอาการสามสิบสอง เพีงแต่ใจมาเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วก็ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่พอเราทำสมาธิทำใจให้สงบความคิดนั้นก็หายไปพอหายไปความคิดว่าร่างกายเป็นเราก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวคิดหายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ก็เลยรู้ว่าเอาตัวรู้กับร่างกายนี้มันเป็นคนละตัวกันต้องแยกด้วยการนั่งสมาธิก่อน แยกให้เห็นว่าร่างกายกับใจนี่เหมือนกับน้ำกับขวดน้ำเราต้องเทมันออกกันแต่พอเราพอเรากลับมาจะออกจากสมาธิมาใจกับร่างกายก็มารวมกันใหม่ก็เหมือนกับเราเอาน้ำเทกลับไปใส่ในขวดใหม่ตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจเราว่าน้ำกับขวดน้ำนี้เป็นคนต่อส่วนกันนะไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชั้นใดพอเราออกจากสมาธิมา ใจกลับมาคิดถึงร่างกายว่าเป็นเราของเราเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยเตือนว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราเป็นตัวรูว้ตัวคิดแต่ร่างกายนี้เป็นเพียงแต่ตัวที่เราใช้ให้มันทําอะไรต่างๆเป็นคนรับใช้ของเราให้ต้องใช้ปัญญาคอยเตือนอยู่เรื่อยๆเพราะความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เรื่อยๆพอเราไม่คิดปั๊บมันก็จะคิดว่าเป็นเราของเราทันทีเพราะมันฝังมาในใจมาตลอด เราตึงช่องใช้คอยปัญญาใช้คอยเตือนคอยสอนใจว่าม่างกายไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็ต้องตายมันต้องกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปถ้าดูมันกลายเป็นดินน้ําลมไฟดูมันกลายเป็นขี้เท่าขี้ทานไปบ่อยๆมันก็จะจําได้แล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะต้องเป็นขี้เท่าไปส่วนใจก็ยังเป็นใจอยู่ยังรู้ยังคิดอยู่เหมือนเดิมแล้วใจก็จะได้ไม่หลง ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอไม่หลงแล้วมันจะเป็นอะไรร่างกายจะเป็นอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราแล้วตัวเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายจากคุณดาราดัยนะครับคำถามฝากมาจากเด็กอายุสิบสามค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมากราบฟังธรรมบนเขาเป็นครั้งแรกปกติเวลาผมนั่งสมาธินานๆมันจะรู้สึกปวดปวดตลอดครับ มันเป็นขึ้นเองจะแก้ไขอย่างไรดีครับออมันเป็นธรรมดาของร่างกายพอนั่งไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ต้องเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นธรรมดาแต่ใจเรานี้ไม่สามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายคือไม่ไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายเหมือนกับเราเห็นคนอื่นเขานั่งแล้วเจ็บแต่เราไม่ได้เจ็บไปกับเขาใจนี้ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย เพียงแต่ใจต้องรับรู้ความเจ็บของร่างกายแล้วใจก็มีนิสัยไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบรับรู้ความเจ็บพอมีความเจ็บมาให้รับรู้ก็อยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากให้มันหายใจก็เลยทุกข์ขึ้นมาที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บของร่างกายที่ทนไม่ได้คือความทุกข์ของใจที่จะต้องเจอต้องรับรู้ความเจ็บของร่างกายถ้าเรามาหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ ด้วยคําบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ะยั้นเวลาเรานั่งแล้วเจ็บเราต้องขยันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปสนใจกับความเจ็บถ้าอยู่กับพุทโธไปสักระยะเดียวเดี๋ยวจิตมันก็ปล่อยปล่อยร่างกายปล่อยความเจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปแต่จิตสงบจิตเย็นจิตสบาย อยู่กับความเจ็บได้คําถามจากคุณภูมิจิตมหาวงนะครับการพิจารณากายานุสติโดยการเพ่งอาการกายอย่างเดียวอย่างไรจึงจะถูกต้องคะเพราะเวลาที่ร่างกายขยับหรือทํางานแขนทํางานอย่างขาทํางานอย่างใจทํางานอย่างเช่นนี้จะได้สติกับการทํากายานุสติได้อย่างไร ก็ดูร่างกายเป็นภาพรวมอย่าไปดูแขนกับขาอะไรต่างๆดูว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่เป็นหลักถ้ากําลังเขียนหนังสือก็ให้อยู่กับการเขียนหนังสือไม่ต้องกังวลว่าขากําลังแกว่งหรือไม่แขว่งให้อยู่ที่งานที่เรากําลังทําด้วยใจของเราถ้าเรานัางหน้าก็ให้อยู่กับการลัางหน้าแปลงฟันก็อยู่ ก, การแปลงคันเท่านี้ก็พอคือให้มีอะไร ผูกใจไว้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นเท่านั้นเองไม่ต้องไปกังวลกับขาหรือผมหรืออะไรอาการต่างๆให้อยู่กับอาการการเคลื่อนไหวอันหนึ่งอันใดของใจของร่างกายที่สําคัญเช่นเวลาเดินเราก็ต้องอยู่กับการเดินดูว่ากําลังก้าวไปเหยียบอะไรหรือเปล่าถ้าเราไม่ดูเดี๋ยวก็อาจจะไปเหยียบงูหรือเหยียบอะไรหรือเดินไป ลืมล้มลื่นได้ถ้าเราไ ม, ม่เราไม่มีสติดูว่าเรากําลังก้าวไปเหยียบอะไรอยู่ตอนนั้นเราก็ต้องดูที่เท้าดูว่าเรากําลังกําลังเดินไปเหยียบอะไรหรือเปล่านั้นการดูก็ให้ดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายถ้าใช้มือกระทําก็ดูที่มือถ้าใช้เท้ากระทําก็ดูที่เท้าแล้วมันก็จะมีสติ ใจไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆจะคุณกัญญาลักษณ์นะครับตอนทําสมาธิคืออยู่ๆก็นึกภาพที่เราเคยทําไม่ดีกับบุคคลรอบข้างทั้งดีและไม่ดีแล้วอยู่ๆน้ําตาก็ไหลเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําสมาธิไงเรานั่งปล่อยให้จิตคิดด้วยเปลื่อยพอคิดแล้วมันก็มีอารมณ์ดีใจเสียใจตามมา มันก็มีความรู้สึกน้ำตาไหลหรือเกิดความเสียใจอะไรตามมาเพราะเราไม่ควบคุมความคิดการนั่งสมาธินี้เราต้องหยุดความคิดไม่ใช่ปล่อยให้จิตคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้ไม่เรียกว่านั่งสมาธิเรียกว่านั่งคิดกันถ้านั่งคิดก็มันก็เหมือนกับไม่ได้นั่งเพราะเราคิดกันทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วถ้าอยากจะนั่งสมาธินี้ต้องหยุดความคิด ให้จิตอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวหรือจะอยู่กับอารมณ์อย่างอื่นก็ได้เช่นเพ่งโครงกระดูกอย่างเดียวก็ได้หรือจะนึกถึงสีเขียวสีขา ว, ส, ขาวสีแดงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้จิตมันมีอะไรเกาะใจเกาะไว้ไม่ให้ปล่อยมันไปกับความคิดพอปล่อยให้ความคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดอารมณ์ต่างๆตามมาดีใจบ้างเสียใจบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างตามมา แล้วนั่งอย่างนี้ก็ไม่มีผลไม่ได้ประโยชน์จิตจะไม่มีวันที่จะสงบได้จะไม่ได้เห็นผลที่เกิดจากความสงบคือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจากคุณสมยศนะครับเวลานั่งสมาธิรู้สึกตัวเราดิ่งลงแต่ดิ่งลงไปได้หน่อยก็หยุดเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งกรผมต้องปฏิบัติอย่างไรต่อดีครับแล้วไม่ภาวนาต่อเนี่ย ถ้าเราพุโทโธก็ต้องพุโทโธต่อไปถ้าเราดูลมก็ต้องดูลมต่อไปจนกว่ามันจะรวมเต็มที่แล้วลมหายไปหรือพุโทโธหยุดไปแล้วจิตก็นิ่งไม่ทําอะไรถึงจะหยุดได้ถ้ายังทําอะไรยังพุโทโธได้ก็ต้องพุโทโธต่อไปดูลมได้ก็ต้องดูต่อไปไเพราะว่าความสงบมันมีหลายระดับระดับแรกๆนี้เรายัางต้องพุโทโธต้องดูลมต่อ มันจะไปถึงระดับที่สี่เนี่ยที่เรียกว่าฌานสีมันจะนิ่งสงบเต็มที่ความคิดปรุงแต่งหายไปความรับรู้ร่างกายหายไปเหลือแต่ตัวรู้เพียงตัวเดียวตอนนั้นเราก็หยุดได้จะคุณสิริชัยนะครับมีหลักปฏิบัติใดบ้างที่จะทำให้จิตสงบได้เร็วครับก็สตินี่แหละขอเราฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ได้เถไม่ว่าทาอะไรจะใช้คาพุโทโธก็ให้มีพุโทโธไปทั้งวันเลย ตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีแต่พุโทโธพุธโทโธไม่ให้ไปคิดถึงเงินทองไม่ให้ไปคิดถึงแฟนไม่ให้คิดถึงที่เที่ยวที่อะไรต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงการงานต่างๆให้คิดอยู่กับพุโทโธคำเดียวถ้าอยู่กับพุโทโธคำเดียวได้เวลานั่งสมาธิจิตจะสงบได้อย่างรวดเร็วห้านาทีสิบนาทีก็จะรวมเข้าสมาธิได้มีคาถามอยากจะถามหรือเปล่าที่มานั่งตรงนี้ไม่มีใช่ไหมอายังเลยอ่า จากคุณชะดาพรนะครับอยากตัดกิเลสเรื่องอยากมีแฟนใช้หลักไหนดีคะก็พิจารณาอสุภะของแฟนเน่ยดูอุจจาระของแฟนบ้างดูนลำไส้ของแฟนบ้างอดูตับดูไตดูโครงกระดูกของแฟนบ้างดูกระโหลกศีรษะของแฟนบ้างเห็นกระโหลกศีรษะไหมเวลาเห็นหน้าเขาหน้าเขาก็ถูกผิวบางกระโหลกศีรษะของเขาก็ถูกผิวบางๆหุ้มห่อไว้เท่านั้นเอง ถ้าถาลกผิวออกก็จะเลืออะไรลองดูกระโหลกสีกระโหลกศีรษะเขาบ้างดูโครงกระดูกเขาบ้างดูลำไส้เขาบ้างดูจระเขาบ้างถ้าดูส่วนอาการเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าต่อให้เป็นนางฟ้าเทวดาก็ไม่เอาแล้วนะจากคุณลาซิมานะครับเริ่มนั่งสมาธิมาได้สักระยะด้วยการบริกรรมพุทธโธ ตอนนี้เริ่มนั่งได้สักพักมีความรู้สึกสบายใจและมีความรู้สึกไม่อยากออกจากสมาธิขึ้นมาแต่สักพักมีความรู้สึกอยากทั้งอยากจะออกจากสมาธิมารบกวนแบบนี้ต้องแก้ไขอย่างไรคะเกิดเวลานั่งสมาธิถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่อยากออกแต่พอมันหมดกาลังสติมันหมดกาลังมันก็อยากจะออกถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องพุโทโธใหม่หรือ ด, ดูลมใหม่มันก็จะอยู่ต่อได้ แต่ถ้าไม่ดูลมหรือพุทโธมันก็จะทนไม่ได้มันจะรู้สึกเจ็บรู้สึกอึดอัดขึ้นมา <c oughs> ก็จะต้องออกมาก็แสดงว่าหมดกําลังสติที่จะดันใจให้อยู่ในสมาธิพอออกมาแล้วก็ต้องมาสร้างสติใหม่มาพุโทโธใหม่มาคอยควบคุมความคิดใหม่แล้วพอเราหายเมื่อยจากการนั่งแล้วเราก็ลองกลับไปนั่งใหม่ แล้วถ้ามีสติเราก็สามารถดันให้จิตกลับเข้าไปในสนมสมาธิใหม่เนี่ยเราต้องทำอย่างนี้สลับกันไปพอหมดกำลังก็ออกมามาจเจริญสติใหม่แล้วก็กลับไปนั่งใหม่จนกว่าเราจะสามารถเข้าสมาธิได้ตามที่เราต้องการทุกเวลาแล้วได้อยู่นานถ้าเราชำนาญทางสมาธิแล้วขั้นต่อไปเวลาเราออกมาก็มาพิจารณาปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา เพื่อเราจะได้ทําลายความอยากต่างๆที่จะมาทําลายความสงบของเราจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหนูอยากมีลูกท้องมาสามครั้งแล้วแต่ก็แท้งลูกทั้งสามคนอยากทราบว่าเกิดจากกรรมอะไรคะหรือหนูไม่มีวาสนาก็เป็นอนิจจังอ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนบางคนไม่อยากได้ลูกแหมออกมาดกเป็นนี่วันก่อนมืาเจอคนเจ้าแสดห้าคน มามาใส่บาทห้าคนโอ๊ยวุ่นวายไอคนที่ไม่อยากได้ก็ได้ไอคนที่อยากได้ก็ไม่ได้อันเนี้ยเรียกว่าอ น, นิจจังอย่าไปอยากเสียเอาตามมีตามเกิดผู้เจ้าสอนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ให้ยินดีดกับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราได้อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร แล้วให้มองว่าสิ่งที่เราได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์อยู่ดีเอามาทําไมได้ลูกคิดว่าดีหรอถามคนที่ก็ามีลูกว่าดีไหมจะคุณนันทการนะครับการสวดมนต์ประจํานึกได้ก็สวดว่างก็สวดขับรถก็สวดได้ประโยชน์อะไรบ้างคะนอกจากสมาธิก็ได้สติไงได้สติไดเ้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสง บ, บง่าย แต่เวลาขับรถก็ต้องระวังให้มีสติอยู่กับการขับรถอย่าไปอยู่กับการสวดเดี๋ยวเกิดมีอะไรกระทันหันมันจะแก้ไม่ทันเวลาขับรถนี่ต้องให้มีสติอยู่กับการขับรถก่อนมาหนึ่งแล้วถ้าจิตยังไปแวบไปเรื่องอื่นก็จะใช้การสวดมนต์ดึงกลับมาก็ได้แต่ดึงกลับมาเพื่อให้อยู่กับการขับรถอย่าไปอยู่กับการสวดมนต์แล้วรถขวางรถวิ่งตัดหน้ามานี่เดี๋ยวอาจจะเบรกไม่ทัน แล้วครับแล้วก็สมควรแก่เวลาพอดีครับประชจ้าทางนี้มีใครอยากจะถามไหมเอาตัดสินใจนะเพราะเดี๋ยวปิดปั๊บอย่ามานะ <c oughs> เอาก็ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินในฟังในวันนี้ไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิน